วันก่อนเราประชุมกันพระสงฆ์ประชุมกันหาหรือกันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคณะสัตยาติโจมเพราะว่าพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้างานจะต้องรู้เรื่องของงานว่าแต่ละครูบาอาจารย์ชำนาญทางด้านไหนเพราะเคยผ่านงานครูบาอาจารย์มาแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าเราต่างคนต่างทำ ก็เหมือนกับหันหน้าไปคนอทิตทางงานถึงจะออกมาก็ไม่เป็นงานที่เรียบร้อยราบรื่นเพราะเหตุใดเพราะการทำงานไม่ประสานกันเพราะนั้นก่อนที่งานจะประสานกันได้ก็ต้องอาศัยความอ า, อาศัยการประชุมอาศัยการประชุมกันหาหรือกันในงานเพราะนั้นวันก่อนก็ได้หาหรือกันในระดับหนึ่ง ว่าใครจะอยู่ในฐานะไหนเป็นหัวหน้างานเกี่ยวกับเครื่องเสียงใครจะเป็นหัวหน้าเกี่ยวกับไฟฟ้าใครจะเป็นหัวหน้า เ, เกี่ยวกับน้ําห้องส้วมโรงทานเต็นต์ดังนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นวันนั้นก็ได้พูดกันหาหรือกันแต่คืนนี่แหละเย็นนี้นะขอให้บอกกล่าวไปทาง รูบาจารย์ในท้องถิ่นนะเรียนไปนทั้งท่านเจ้าคณะอำเภอท่านอาจารย์จํมรัดแล้วก็ให้บอกกล่าวหมู่พวกเพื่อนอย่าลืมเย็นนี้นะแล้วก็หัวหน้างานที่พวกเราอยู่แต่ละแผนกที่เราได้แต่งตั้งกันไว้ให้มาหารือกันในเย็นวันนี้นะตอนค่ำที่กุฏิลงพอนะั่นะที่เราหารือกันเป็นกลุ่มเล็ก เราจะได้หาหรือกันว่างานของเรานี่ตรงไหนที่ขาดตกบกพ่องจะได้เสริมหรือว่างานกลุ่มไหนที่ไปไม่ได้เพราะอะไรที่จอดรถเพียงพอหรือเปล่าแล้วจอดที่ไหนบ้างมีรถไหมแล้วก็ค่าน้ำามุกน้ำามุกน้ามันของรถมีหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นพวกเราจะต้องหาหรือกันในที่ประชุม แจกงานกันถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้งานของเราต้องขาดตกบกองแน่อย่างที่งานองค์หลวงตาก็เหมือนกันพอกลางวันก็พวกลูกหลานทำงานพวกกลางตรงกลางเต็น์ช่วยกันแต่พอตกตอนเย็นมาใครเป็นหัวหน้าแผนกก็มาหารือกันมานั่งจับเข่าคุยกันว่างานชิ้นไหน ที่มันมีปัญหาหรือเปล่าที่จะต้องใช้จิตุปัจจัยหรือเปล่าอย่างนี้นย่างสมัยก่อนที่วัดป่าพันตายังไม่มีเ่สังกะสีหัวโซ่วเรียกว่าท่อน้ำก๊อกน้ำหรืออะไรที่จะต้องด้ใช้จิตุปัจจัยก็มาพูดในที่ประชุมจากนั้นเราก็ตกลงในที่ประชุมเออเอาให้คนนี้คนนั้นทันองนั้นองนี้เป็นผู้จัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็แบ่งงานกันผ่อนนิจสุดแล้วก็วันพุ่งนี้อีกมาประชุมกันอกีกขาดเหลือขาดตกอะไรไหมนี่แหละจะต้องประชุมหารือกันเป็นระยะระยะจนกว่างานของเราจะแล้วเสร็จงานนี้ก็เหมือนการงานของหลวงปู่จา ม, มหาปุญโยของพวกเราถ้าว่าพวกเราพระลูกหลานทุกองค์ที่มาร่วมงานพวกเราก็จะต้องมาหารือกัน เป็นระยะระยะเป็นวันๆถ้าหากว่างานของเราพร้อมแล้วเราก็ไม่ต้องประชุมก็ได้เออเ 2, ว้นสองสามวันคอยมาหาหรือกันอีกนะแต่นีนงานของเรามันใกล้เข้ามาแล้วนะข้นะาทศาญาติโยมลูกหลานวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองแล้วเนี่ยยังเหลืออยู่งานก็เพียงยี่ส2บสองยี่สิามวันเท่านเอง เพอะนั้นขอให้พวกเราคณะทา ญ, ญาิโยมทั้งฝ่ายผู้หญิงก็ให้ช่วยๆกันมาดูนะสถานที่นั่งแต่ถึงยังไงก็จะมีฟางปูอยู่อาจจะฟางอาจจะปูไม่ทั่วถึงมันจะมีย้าที่มันติดเสื้อผ้าเขาเรียกอะไรมากระแต็บก่อแล้วก็ไอ้หนามไมยราบอันนี้ก็มีเยอะในป่าของเราเนี่ย ขอให้ช่วยๆกันนะลูกหลานชาวบ้านช่วยๆกันดูมาช่วยกันดูทําความสะอาดให้เรียบร้อยงานของหลวงปู่ของเรามีครั้งเดียวเท่านี้หละไม่มีอีกแล้วเพราะนั้นพี่น้องประชาชนจากจ้าตุรทิศก็จะได้มาหลั่งไหลเข้ามาดูงานของพวกเรานั้นพวกเราเป็นฐานะลูกหลานเจ้าภาพ ห, หลวงพ่อ เ, เป็นตัวอย่าง ถ้าหากว่าหลวงพ่อทําอะไรลงไปขาดตกบกพ่องหลวงพ่อเนี่ยเบอร์หนึ่งนคนทั้งหลายพ่อหลวงเขารู้จักหลวงพ่อมามากทางฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันเขาจะถามว่างานนี้ใครเป็นผู้ไปดูแลที่นั่นเขาก็จะว่าหลวงพ่ออินพอหลวงพ่ออินเนี่ยจัดงานมาหลายๆหลายๆที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองมาดูนี่ก็ งานหลวงอาของหลวงพ่อเนี่ยก็จะพยายามให้สมบูรณ์ที่สดุดเท่าที่จะสมบูรณ์ได้เพราะฉนั้นขอให้พระรูปพระหลานน้องน้องทั้งหลายช่วยๆกันเน้อเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเมื่อสร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราแล้วก็นั่นละอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราก็จะได้แยกย้ายกันไปบําเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาของพวกเราแต่ละท่านแต่ขณะที่ขณะนี้ พวกเราควรจะมาร่วมกันมาช่วยกันนะแล้วก็พร้อมกันพี่น้องลูกหลานทุกคนนะชาวบ้านอย่าไปถือว่างานนี้เป็นงานของผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ใช่นะเป็นนานงานหน้าที่ของพวกเราทุกคนแต่เมื่อขณะที่หลวงปู่ยังอยู่พวกเราก็มากราบมาไหว้ท่านมาขอความเมตตาจากองค์ท่านแต่พอท่านจากไปแล้วเราจะลืมพระคุณของท่าน ก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นพวกเราทุกท่านเมื่อท่านจากไปแล้วน่ที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเนี่ยบอกว่าลูกหลานทางหลายคณะสิทธิ์ทางหลายพวกเราก็ช่วยกันเก็บตุหลังฝังดกข้างคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นหลวงปู่ของเราก็ไม่ใช่ไม่ไม่อย่างนั้นหรอกแต่ว่าพวกเราเทิดทูนบูชาในพระคุณของท่านพวกเราควรจะช่วยกันจัดการ งานสรีระของท่านให้เป็นเกียรติประวัติในตระกูลของเราในหมู่บ้านของเราในจังหวัดมุกดาหารของพวกเรานี่แหละการคราวนี้หละจังหวัดมุกดาหารไม่ต้องมีป้ายโคดชนะประชาสัมพันธ์มากนี่แหละหลวงปู่จามของหลวงปู่ของเรานี่แหละประชาสัมพันธ์ทั่วโลกทั่วประเทศคนทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามา พวกเราคงรับไม่หวัดไม่ไหวแล้ววันนั้นเตรียมการไว้แล้วกันแล้วกันโรงแรมมาทุกที่ที่ไหนทุกที่ไหนเต็มไปหมดในละแวกนี้เพราะหลวงปูนะ่เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วประเทศคงจะหลั่งไหลเข้ามามาดูงานของหลวงปู่เพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะเจ้าภาพในฐานะลูกหลานหลวงพ่อเองเนี่แหละเป็นหลักพยายามดูช่วยๆกันเนาะ พี่น้องลูกหลานทุกองหน้าให้แข็งขันน้าสิ่งไหนขาดตกปกพ่องเออเอาปรึกษาปรารถกันเราจะหาทางออกได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปัญหาทั้งหมดเรื่องงานนับแต่สองคนขึ้นไปแล้วมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาก็เถอะมันก็ต้องมีทางออกอถึงจะมมีทางออกอย่างไรก็เถอะวันที่หม ก, กราห้าเจเสร็จแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น ปัญหาอย่างไรมาก็มาปัญหาจะจบเพียงแค่นั้นละ่ะจากนั้นยังค่อยแยกย้ายหันหลังกันเป็นคนละทิศทางปัญหาวันนั้นละ่ะ เ, เป็นวันสีขาดสมบูรณ์แล้วไม่สมบูรณ์อย่างไรขายหน้าขายตายอย่างไรมีเกียรติประวัติที่ดีอย่างไรวันที่ห้าเป็นวันสีขาดนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านให้เตรียมพร้อมคําว่าขาดตกบกพร่องหรือว่างานของเรา ไม่ทำไปแล้วเป็นที่ตำนิไม่เป็นที่พอใจของคนกลุ่มใหญ่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้งานของหลวงปู่ของเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้นฮะหลวงพ่อเองอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะเพราะนั้นก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นได้จะไม่ใช่หลวงพ่ออินกองค์เดียวที่จะต้องทำไม่ใช่องค์ใดองค์หนึ่งเป็นองค์ธรรม แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากันจากนั้นก็ปรึกษาปารรบกันขาดเหลือขาดตกอะไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะช่วงช่วยกันคิด เ, เมื่อคิดเสร็จแล้วเป็นในทางที่ดีแล้วก็ช่วยกันทำมัว่วไอ่วยกันทาแล้วกสิ่งไหนที่จะเป็นทางที่ดีก็ช่วยกันกระเพื่อข่าวว่าหลวงปู่จามของเราจะไปชุมเพลิงวันที่เท่านั้นเท่านี้เน้อ เนี่ยหลวงพ่อเขาบอกไม่ได้นิ่งดูได้ถึงหลวงพ่อจะอยู่ยางไงก็เถอะข่าวต่างๆหลวงพ้อก็พยายามเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะช่วยกันคิดช่วยกันดูงานขององค์หลวงปู่ของเรานะแล้วก็ฝากพระสงฆ์นะน้องลุงทั้งหลายใครทำหน้าที่อะไรใครเป็นหัวหน้าอะไรก็ให้ช่วยๆกันอย่างเมื่อวานก็นู่นเอารถเทรนเลอร์ไปขนเอาเต็น โตเตียงมาจากนูนะ่นน่ะหนองผือน า, นาในจากกลนครน่ะถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงยังไปรู้ว่าโตเตียงเต็นเหล่านี้มาจากที่ไหนมันไม่ใช่มาในถิ่นนี้นะลูกหลานนะมาจากถิ่นไกลลงทุนพอสมควรไปต่อไปดยังไงไม่ใช่ตามเอาน้ําห้วยสายตา่ําเติมรถไม่ใช่นะเ อ, อเอาน้ํามันเติมก่ อ, อ, อนที่จะมาได้ไปได้มีค่าใช้จ่ายทั้ง น, นั้น แต่ทั้งยังไงทำเพื่อใครทำเพื่อองค์หลว ง, งปู่ของเราถึงจะเสียสละเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยก็เพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่ยกบวงปู่เป็น เ, เป็นปูชนียบุคคล เ, เป็นสิ่งที่เคารพของพวกเราแต่ตามไม่จริงหลวงปู่ท่านนะหลวงปู่ของเราไม่ได้ลืมตัวนะเออเมื่อข้าตายไปนี่นะให้จัดงานศพของเราให้ใหญ่โตนะ เออให้ใหญ่โตให้เชิญทุกระดับมาในงานศพของเราเพราะเราเนี่ยอายุมากเป็นผู้ยิ่งใหญ่หลวงปู่ไม่เคยพูดอย่างนั้นนะลูกหลานนะทุกคนนะหลวงปู่ของเราเป็นผู้มักน้อยสันโดษมากๆหลวงปู่บอกว่าเออกูตายไปนี่นะเอออีม่วงนะบักยัดนะเออลูกหลานนะเออเนี่ยไปเอาไม้มั ก, มกขามอยู่สวนพ่ อ, อีมนะมาแล้วก็มาตัดเป็นทอนๆแล้ว เผาเลยอย่าไปเอากู่ไว้นานเนดะ้อถ้าเอากูไว้นานเนะี่ยทางหัวร้นทางหัวดํามันจะมายุ่งเกี่ยวกับงานศพของกูฮะหลวงปู่ท่านว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นหลวงปู่สั่งเสียอย่างนั้นหลวงปู่มักน้อยสันโดษนะลูกหลานนะท่านมีธรรมในใจท่านไม่ได้ฟุ้งเฟอเ้อเหอเหแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านเนี่ยเมื่อท่านจากไปแล้วจะทํำยังไงมาถึงจุดนี้แล้วพวกเราขอ ควรจะช่วยกันคนละไม้คนละมือแนวความคิดจะเทดิเทดชูบูชาองค์หลวงปู่อย่างไรจะสมศักดิ์ศรีขององค์หลวงปู่ของเราที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานมนานถึงร้ออายุถึงร้อยกว่าปีนะจะหาได้ที่ไหนผลนั้นเป็นเกียรติประวัติในจังหวัดมุกดาหารของพวกเราเป็นเกียรติประวัติของคนในละแวกนี้เป็นเกียรติประวัติของชาวภูฏไทยนะ อย่าให้เสียเสียเกียรติประวัติเน่าหลูกหลานเน่าที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้พวกเรามีความพร้อมเพียงสำมัครีคิดไปในมองไปในทางเดียวกันนะคล้ายๆมาให้คิดมองในในเรื่องที่การทะเลาะเบาแวงกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรทั้งหมดนะหลวงพ่อมองให้พวกเรามองไปในทางเดียวกันเพื่อเชิดชูบูชาพระคุณองคหลวงปู่ของพวกเรานะ อตอนนี้ไปผัสสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร